เรื่องที่21เรื่องพ่วงที่8จะสมานฉันต้องสมานปัญญาบัญญายเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช5 4 8พหอเจ ร, ริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่าน ญาติโยมมาวันนี้ก็ได้มาร่วมทําบุญงานกระถินสามัคคีที่โยมใช้ศัพท์ว่ากระถิ่นรวมจั t าซึ่งมีคุณโยมประภาสีบุญยประสิทธิ์เป็นประธานคณะเจ้าภาพมีลูกหลานญาติมิตรก็ร่วมกุศลกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสามัคคีแล้วแต่ในครอบครัวก็รวมจต t h อย่างที่กล่าว แล้วกว้างออกไปก็ญาติโยมทั้งหลายที่มานั่งกันเฉพาะหน้าเวลานี้ก็มีศรัทธาร่วมกันศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในบุญกุศลแต่ไม่เฉพาะวันนี้หรอกตั้งแต่วันก่อนๆมาแล้วก็เริ่มมาจัดมาเตรียมกันทั้งพร ะ, ท, พระ ท, ร ท, ท, ทั้งโยมบรรพชิตคารืหัดทั้งศิทธิ์เก่าทั้งโยมบทถามวัดก็มาช่วยกันนะะเตรียมสถานที่บริเวณต่างๆเนี่ยสำเร็จด้วยเรื่องของความสามัคคีที่มีศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจ เราก็เรียกกันว่ากระถินรวมศรัทธาอย่างที่ว่าแล้วกระถินนี่เป็นเรื่องความสามคัคคีและเราก็นิยมทอดกระถินแบบสามคัคคีแล้วมาวันนี้คุณโยมก็ใช้คำว่ากระถินรวมศรัทธารวมศรัทธาเนี่ยมันลึกลงไปเป็นฐานเป็นสมุทัยเป็นเหตุเป็นที่เกิดของสามัคคีด้ซ้ำ เพราะคนเรานี่พอศรัทธาร่วมกันก็คือมีความเชื่อร่วมกันมีศรัทธาเชื่อในพระธจนตรัยรร่วมกันมีศรัทธาในบุญกุศลในพระศาสนาร่วมกันเพราะศรัทธาร่วมกันแล้วสามัคคีก็เกิดได้หรือว่ามีศรัทธามีความซาบซึ้งในคุณความดีอะไรต่างๆอย่างเดียวกันน่จิตใจมันก็รวมกันเองนั้นศรัทธานี่มารวมกันเข้าสามัคคีก็เกิดแน่นอน เพราะนั้นใช้คำว่ารวมศรัทธาก็เท่ากับลงลึกไปถึงเหตุปัจจัยของความสามัคคีนั้นอีกทีหนึ่งนี้ศรัทธาจะรวมกันได้เป็นเรื่องของจิตใจที่ว่าแล้วก็มีความเชื่อร่วมกันแต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งกว่าความเชื่อก็คือว่าศรัทธาหรือความเชื่อนั้นเกิดจากปัญญาด้วยเกิดจากความรู้ความเข้าใจพอเรามีความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ย รู้เข้าใจหลักพระศาสนาร่วมกันรู้ว่าอะไรเรามีอะไรจารย์ร่วมกันต่างๆเหล่านีย้ยิ่งจะทำให้ศรัทธานั้นแน่นแฟรยิ่งขึ้นแล้วความสามัคคีก็ยิ่งได้ผลมากขึ้นมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยสังคมของเราเวลานี้มันมีปัญหาเยอะอันนี้ก็ต้องขอพูดกว้างออกไปเรารวมศรัทธาไม่ได้ในเวลานี้สังคมไทยไม่มีจุดรวมศรัทธาหรื อ, อยังไง มันทาให้ศรัทธาไม่มีที่รวมหรือคนไม่สามารถรวมศรัทธาและสามัคคีก็เลยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไปใช้คาว่าสมานฉันสมานฉันนั่นก็เรื่องของสามัคคีนั่นแหละก็แปลว่ามีฉันทะมีความพอใจมีความต้องการเสมอกันตรงกันพูดง่ายๆก็คือมีความต้องการตรงกันเรียกว่าสมานฉันทะนี่เป็นภาษาบาลี ถ้ายัางต้องการไม่ตรงกันก็สมานะฉันก็เกิดไม่ได้ถ้าเวลานี้มีความต้องการตรงกันหรื อ, อยังล่ะถ้ายัางไม่ตรงมันก็ไม่มีสมานะฉันเราต้องการความสามคัคคีเราก็จะให้ได้ผลดีนอกจากว่าจะมีความเชื่อมีศรัทธาศรัทธานั้นจะต้องมั่นด้วยมั่นก็คือต้องมีปัญญามีความรู้เข้าใจอะไรต่างๆที่จะทาให้มันมีหลักยึดเป็นอันเดียวกันได้ สังคมของเราเนี่ยปัญญาความรู้ความเข้าใจต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่จะทำให้เกิดไอ้จุดร่วมอันนี้ก็ขอพูดเป็นเรื่องที่สบายๆโยไม่ต้องไปหนักใจไม่ถือเป็นเรื่องอะไรอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะพูดถึงอย่างเรื่องภาคใต้อย่างเงี้ยรวมศรัทธากันให้ได้จะได้มีความสามาัคคีแล้วก็ต้องมีปัญญารู้เข้าใจ รู้เข้าใจยังไงเช่นอัตมายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเช่นคําว่าภาษายาวีเนี่ยพูดขึ้นมาคนไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรบางคนเข้าใจว่าเป็นภาษาอาหรับนึกว่าภาษาอาหรับเป็นภาษายาวีเปล่าไม่ใช่ตัวอักษรอาหรับตัวหนังสืออาหรับเป็นยาวีตัวหนังสือกับภาษามันคนละอย่างตัวหนังสืออาหรับจะเป็นยาวีได้แต่ภาษาอาหรับไม่เป็นยาวี อ้าพูดให้ลึกลงไปคําว่ายาวีเนี่ยที่จริงมีสองความหมายเขาแยกไว้หนึ่งความหมายเดิมความหมายแต่เดิมมาว่าคือภาษามาเลหรือภาษามาลายูที่เป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียนหมายความว่าภาษามาลายูหรือภาษามาเลที่ชาวบ้านเขาพูดกันไม่เป็นภาษาเขียนนี้เรียกว่ายาวีนี่เป็นความหมายเดิม เอาละทีนี้ต่อมาต่อมาเป็นความหมายปัจจุบันความหมายปัจจุบันยาวีคืออะไรคือภาษามาเลหรือภาษามะลายูนั่นแหละที่เขียนด้วยอักษรอาหรับเรียกว่ายาวีแล้วภาษามาเลหรือภาษามะลายูนี่ manière? ปัจจุบันก็มีวิธีเขียนสองแบ บ, เ, บ เ, แเขียนด้วยอักษรอาหรับเรียกว่ายาวีแล้วเขียนด้วยอักษรโรมันหรืออักษรฝรั่งเรียกว่ารูมี นั้นก็มีสองอย่างภาษามาเลเนี่ยเขียนเป็นสองแบบอย่างที่อินโดนีเซียก็ใช้ภาษาแบบเดียวกันน่ะคือภาษามล า, ายูหรือภาษามาเลเนี่ยที่จริงเดิมถิ่นเดิมของมล า, ายูนยีก็อยู่ที่สุมาตราปัจจุบันนี้ถิ่นนี้เรียกว่ารัฐชัมพีเนี่ยเป็นถิ่นเดิมของมาลายูแล้วมล า, ายูก็อพยพมาที่มาเลเซียนั้น มาอยู่ก็เลยกว้างภาษามาเลก็พูดกันตั้งแต่อินโดนีเซียมาถึงมาเลเซียแล้วภาษาราชการของอินโดนีเซียก็เรียกว่าบาฮาภาษาคําว่าภาษาเนี่ยเขาเรียกบาฮาภาษาก็คือคําสันสกฤตอ่ะบาาภาษาอินโดนีเซียแล้วภาษามาเลเซียก็เรียกว่าบาภาษามีขะเข้าไปตัวนึงบาภาษามาเลเซีย แต่ว่าทั้งสองอย่างนี้จะตรงกันเป็นส่วนมากคือตรงกันเยอะแม้แต่ตัวคำว่าภาษาก็ใช้คำว่าภาษาีนอย่างถามชื่อท่านชื่ออะไรทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยตอบเหมือนกั น, นคือใช้ภาษาเดิมอันเดียวกันจะตอบว่านามาสยะ น, นามาสยะแล้วก็ต่อด้ชื่อ ขอภัยไม่ได้เอารอสมมติว่าเรานึกไม่ออกนึกถึงชื่อท่านอดีตประธานาธิบดีสุกาโนโปุตรีก็แล้วกันน่ะก็นามาสยะสูกาโนโปุตรีนี่ชื่อของฉันว่าสุกาโนปุตรีอันนี้นามาก็ภาษาสันสกฤตสยาบาลีสันสกฤตแปลว่าของตัวหรือของฉันจะเห็นว่าภาษามาลายู ที่จเจริญ ม, มาในอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีสันสกิตปนอยู่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนมาลายูนั้นนับถือพุทธศาสนาอยู่ในอาณาจักรศรีวิชัยประมาณ800รปีอันนี้ตำราเขาจะบอกเลยว่าในภาษามาเลเนี่ยมีภาษาสันสกิตอยู่มากมายเพราะฉะนั้นภาษายาวีก็คือภาษามาเลยนี่แหละที่ชาวบ้านพูด หรือเอามาเขียนด้วยอักษอรอาลับภาษายาวีก็คือภาษามาเลที่ชาวบ้านพูดก็จึงเต็มไปได้วยภาษาสันสกฤตอันนี้มีคนพูดบอกว่าคนทางใต้ไม่อยากพูดภาษาไทยบางท่านอานอว่าเพราะภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษามีพุทธศาสนามาจากพุทธศาสนาพูดแล้วจะเป็นบาปภาษายาวีคือภาษามาเลนั่นแหละเต็มไปได้วยภาษาสันสกฤต พระอะหรพระบรรพบุรุษเนี่ยนับถือพุทธศาสนาอยู่ประมาณแ0 0้อยกว่าปีฮินดูต่ออีกไม่ใช่พุทธอย่างเดียวเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันจะหมดความลังเกียจเลยใช่ไหมปัญญาที่รู้ความเสมอกันเหมือนกันร่วมกันอ่ ะ, อะก็ร่วมกันแล้วนี่ภาษาเรายาวีมาเลไทยก็มีรากฐานมีภาษาสันสกิตบาลีปนอยู่เยอะแยะไม่รู้ ไทยพนมากกว่าด้ซ้าเด็กๆอาจจะสนุกด้วยคือไม่รู้สึกว่ามันจะเสียหายอะไรเด็กก็อาจจะมาทายกันบอกเอ้ยในภาษาไทยกับภาษามาเลภาษายาวีนี่ใครจะมีสันสกฤตมากกว่ากันใช่ไหมอย่างที่ว่านามาสยะเราไปถามคนไต้สิถ้าเขาพูดภาษายาวีเขาก็ต้องนามาสยะเนี่ยนามาสยะก็สันสกฤตเต็มที่เลยาภาษาไทยซะอีกกับ ฉันชื่อนั้นชื่อนี้ไม่เห็นมีเข้สันสกฤตเลยใช่ไหมกลายไป็ว่าภาษายาวีนั่นแหละเอาภาษาสันสกฤตเข้าไปเต็มที่เลยหนักกว่าภาษาไทยเข้าไปอีกไม่ต้องไปหนีหรอกตกลงไปหนีทําไมภาษาไทยใช่ไหมพูดภาษายาวีนั่นแหละเต็มไปได้วยภาษาสันสกฤตนี้มันควรจะไปศึกษากันว่าในภาษายาวีภาษามาเลมีภาษาสันสกฤตสักเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องความรู้ ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายไม่มีบาปมีกรรมอะไรทั้งนั้นแล้วคนก็จะสมานสามัคคีนี่แหละได้ปัญญาที่รู้รู้ว่าอะไรเรามีร่วมกันนี่ต่อไปขยายไปรู้ว่าเออเราก็มีบรรพบุรุษที่เหมือนเหมือนกันเสมอกันเป็นชาวพุทธมาเหมือนกันใช้ภาษา ส, สันส ก, กิตร่วมกันเยอะแยะไปแล้วก็เราก็เป็นชาวซาว์อีเชียเหมือนกันนั่จุดร่วมกัน แล้วเราก็เป็นชาวอาเซียเหมือนกันแล้วขยายออกไปเราก็เป็นชาวโลกเดียวกันเราก็ร่วมโลกเดียวกันถ้าไปไปมาๆเราก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเราไปไมาๆเราก็อยู่ใต้กฎธรรมชาติเดียวกันก็ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจุดร่วมต่างๆมันเยอะไปหมดนี่แหละปัญญามันทําให้รู้มารู้กว้างออกไปมันก็มีแต่รวมกันมันมีจุดรวมหลายระดับ แล้วจะไปทะเลาะ ก, กันทำไมแล้วทำไมจะต้องไปแบ่งแยกกันเนี่ยก็สมาร์สามัคคีเป็นอันเดียวกันเนี่ยตัวความรู้มันไม่มีมันก็ทำให้ไปแบ่งแยกไปยึดถืออะไรต่ออะไรไม่เข้าเรื่องเนี่ยปัญญาเนี่ยสคัญปัญญารู้และมันแก้เพราะมันทำให้รู้จุดร่วมที่มันมีทุกระดับเลยแล้วเราก็ค่อยๆรวมไปจนกระทั่งถึงระดับโลกระดับของความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากล ถึงกฎธรรมชาติมันก็มีแต่ดีทังนั้นก็ธรรมะนั่นแหละก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ย น, นั้นทำไงเราจะแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องให้มีเรื่องของปัญญาเข้ามาคนเราจะมีความสามคัคคีรวมศรัทธาก็คือมีสมานสศรัทธาหรือสมานศรัทธาพะสมานศรัทธาเราก็จะให้สมานฉชันก็พอจะได้เลยนะ พอศรัทธามันสมานมันรวมกันได้มันก็เริ่มสมานะฉันทีนี้สมานะฉันจะได้จริงก็ต้องสมานปัญญาทีนี้พอเรารู้เข้าใจอะไรต่อะไรที่เป็นเรื่องร่วมกันดีแล้วมันก็เกิดไมตรีมาร่วมกันได้พอร่วมกันได้พอไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเอาปัญญาที่เรามีมาใช้ร่วมกัน ปัญญามันไม่ร่วมกันเนี่ยมันไม่สมานปัญญาเนี่ยมันก็ใช้ปัญญาในทางที่มาต่อสู้กันมาทำร้ายกันมันก็ยุ่งยากแต่ถ้าเราเกิดสมานปัญญาเราแตา่ละคนมีปัญญาปัญญานั้นก็มาใช้ในทางที่สร้างสรรค์มาสร้างสรรค์ความดีสร้างโลกให้มีสันติสุขประเทศชาติให้ลมเย็นเป็นสุขมันก็มีแต่ดีเท่านั้นนั้นตอนนี้ถ้าเราได้ครบชุดนี้ก็มีสมานศรัทธา แล้ะสมานฉันแล้วก็สมานปัญญาพอสมานปัญญ า, าปัญญามารวมกันก็ทำการสร้างสรรค์ต่างๆก็มีแต่ดีที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหรอกก็มีปัญญาแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทำร้ายกันเพียงแต่แค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกัน แล้วก็จะทางสันประเทศชาติก็จะเข้มแข็งประเทศชาติแข็งแรงแล้วเราก็จะไปช่วยโลกให้มันเข้มแข็งมีสันติสุขเพิ่มขึ้นด้วยแล้วมันก็จะสมชื่อกระถินนะโยมเข้าใจความหมายของกระถินอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าปีก่อนก็เคยพูดไปแล้วกรถินเนี่ยความหมายหนึ่งที่ใช้มากในภาษาบาลีแปลว่าแข็งทีนี้แข็งเนี่ยมีสองแบบแข็งร้ายกับแข็งดี แข็งร้ายก็คือแข็งกระด้างเช่นกิริยามารยาทกถินว่ากิริยามารยาทวาจาก็ได้บางคนนี่วาจากถินถ้าวาจากถินก็หมายความว่าพูดกระด้างถ้อยคํากระด้างไม่น่าฟังนี่กถินเหมือนกันทีนี้กถินที่แข็งในทางดีเป็นไงก็คือแข็งแรงมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการ แข็งแรงมั่นคงใช่ไหมเช่นพื้นโบสเนี่ยโยมก็ต้องการให้แข็งแรงมั่นคงถ้าโบสถไม่แข็งแรงมั่นคงโยมก็นั่งไม่สบายใจดังนั้นก็ต้องกรถินเหมือนกันนิยมก็ต้องการกระถินที่ดีก็คือกรถินแข็งแรงในทางที่ดีมั่นคงอันนี้ความสามัคคีเนี่ยมันจะทําให้เกิดความแข็งแรงและความเข้มแข็งในทางที่ดีความหมายของกระถินที่เราทอดกันในวันนี้ท่านก็อธิบายไว้ในแง่นี้ด้วย ที่ว่ากถินนี้ก็คือท่านบอกว่ากถินนั้นติทิรังว่างั้นอันนี้พูดเป็นภาษาบาลีแปลว่ากถินแปลว่าทิระทิระแปลว่ามั่นคงทิราก็เถระถาวร น, นั่นเองเท่าเท่ากับคาว่าถาวรทีนี้เข้มแข็งมั่นคงด้วยอะไรด้วยอาศัยที่ว่าสิ่งที่ดีนั้นถูกนำมาอัดรวมเข้าด้วยกัน สิ่งต่างๆเนี่ยเมื่อเราเอามาอัดเข้าด้วยกันมันก็แข็งเงีนียทีนี้อานิสงส์กถินเนี่ยมีห้าข้อโยงก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกอาตมาพูดเป็นภาษาบาลีก็พอก็มีอนามันตจารโรโยงฟังเป็นภาษาบาลีไว้จำเป็นมนก็ได้อสมาธานจารโรคณะโพชนังยาวทัตถะจีวรังและโยจตัตถะ สีวรุ ป, ปาโทงนั่นห้าข้อเนี่ยคือถึงแปรไปโยมก็ต้องเสียเวลาทําความเขา้าใจกันอีกเยอะไม่แปลดีกว่าอา น, นิสงฆ์ห้าข้อเนี่ยนี่ท่านบอกว่ากถินนี่ก็คือมาอัดเอาอา น, นิสงฆ์ห้าข้อนี้มาประมวลเข้าด้วยกันอัดมนที่เดียวกันคราวเดียวกันเป็นกถินก็คือว่ามั่นคงแข็งแรง อะไรแต่ อ, อะไรที่มันมีเนื้อดีๆแล้วใช่ไหมมาอัดเข้าไปอีกเนี่ยมันก็แน่นมันก็มั่นคงแข็งแรงอันนี้คือความหมายของกรถินคนเราก็เหมือนกันมีจิตใจดีมีศรัทธามีคุณธรรมความดีมีปัญญาแล้วเราก็เอามารวมกันมันก็เป็นพลังที่เข้มแข็งแล้วก็จะเป็นกรถินเพราะฉะนั้นโยมีกรถินสามคัคคีเริ่มจากการรวมศรัทธามีสมาณฉันสมานปัญญาแล้วก็ให้ไปถึงกรถินด้วย พอได้กรถิ่นรล้วทีนี้เข้มแข็งมั่นคงแล้วเราก็ทําให้ใจเราก็กระถินในแง่ดีนะกระถินมั่นคงไม่ใช่กรถินกระด้างแล้วก็มาทําให้สังคมชุมชนประเทศชาติของเรากรถินในทางที่ดีด้วยเข้มแข็งมั่นคงถ้าเราขืนแตกสามัคคีกันอยู่เราก็ไม่มีทางกรถิ่นแน่ในกรถินแน่นนนนในแง่หนึ่งก็เป็นนิมิตหมายของความดีงามที่ว่าเป็นเรื่องผลของความสามคัคคีที่จะมีความเข้มแข็งมั่นคง เมื่อทอดกฐินแล้วทาไงเราจะมาช่วยให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เข้าถึงจุดหมายคือได้อานิสงส์สามัคคีเป็นกฐินสักทีเอาละโยมวันนี้ก็เลยพูดเรื่องกฐินในความหมายอย่างนี้การเรื่องกฐินเนี่ยก้องพูดได้หลายแง่หลายความหมายแง่นี้ความหมายนี้บางทีไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าโยมชอบพูดอยู่แล้วเรื่องสามัคคี กรมาโยงกับเรื่องกระถินก็เข้ากันดีเลยแล้วสถานการณ์ก็เหมาะด้วยโยง่อเป็นอันว่าได้ทำบุญด้วยเป็นกระถินที่เริ่มต้นมีการรวมศรัทธามีสามคัคคีก็ขอให้มีอย่างที่ว่าแล้วสมานะสรัทธาสมานะฉันแล้วก็สมานปัญญาแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เป็นกระถินแข็งแรงเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปอนุภาพก็ขออนุโมทนาที่ คุณโยมทุกท่านมีน้ําใจเป็นบุญเป็นกุศลจึงได้มารวมศรัทธากันเดินทางมามาทําความสามาคัคคีทั้งทางกายทางใจทางกายก็เป็นกายสามาคัคคีก็คือมาประชุมร่วมเพลียงกันทํากิจกรรมด้วยกันคือทอดกระถินด้วยกันนั่นเองแล้วก็ทางใจก็มีจิตใจ มีน้ําใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและประกอบด้วยคุณธรรมที่ประสานกันอยงที่กล่าวและที่เรียกว่าสมานหรือสมานะเสมอเท่าเทียมตรงกันร่วมกันก็ขอให้ความสมาน ร, ร่วมกันเสมอกันตรงกันเนี่ยเกิดผลยั่งยืนนานสืบต่อไปอันนี้จะเป็นการพิสูจน์ถึงการปฏิบัติธรรมของเราด้วยว่าเราปฏิบัติธรรมอุตสาหพัฒนาชีวิตอะไรๆกันมาเนี้ยมาเกิดผล ออกมาสู่ชีวิตสังคมที่แท้จริงทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้หรือเปล่าก็ขอให้ผลนี้เกิดขึ้นสมดังความมุ่งหมายก็จะได้เป็นไปตามพระพุทธโอวาทที่สอนว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้เที่ยวไม่เห็นกันเหน็ดเหนื่อยจาริกไปบำเพ็ญศาสนกิจเผยแผ่พระธรรมคาสอนนั้นก็เพื่อพระอุชนทิยะพระอชนสุขายะโลกาุกรมปายะ เพื่อประโยชน์สุขของปหูชนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านได้มีน้ําใจสดชื่นเบิกบานร่าเริงแจ่มใสพร้อมด้วยความอ่อนโยนมีน้ําใจดังที่กล่าวมาก็ขอให้รำลับลึกถึงบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญแล้วมีน้ําใจประกอบได้ปีติและความสุขคือความปรับปลื้มและความชื่นชมน้ําใจนั้นก็ขออารัตนาคุณพระเจ้าตรยัยโอชัยให้พร รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นปัจจัยนํามาซึ่งอายุวรันสุขพะพระแกโยมญาติมิตรตั้งแต่คุณโยมผู้เป็นประธานในการทอดกรถินครั้งนี้คือคุณโยมประภาสีบุญยประสิทธิ์และลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายและประชาชนโดยทั่วกันให้อานิสงส์นี้ขยายไปถึงประชาชนร่วมชาติ ร่วมประเทศร่วมโลกจะได้มีสันติสุขตลอดการยั่งยืนนานก็ขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามในพระธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกเมื่อเทิน